เได้ริมนิ ม, มนต์ให้ไปพูดบรรยายธรรมที่สำนักพิสุณนีแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมันก็มีพิสุณนีมีโยมมาฟังกันพอสมควรก็ก็ s. <S มีช่ว น, นึงก็ได้พูดว่าในความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่มัน ที่เราคนประสบเนี่ยหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นทำหรอกนะแต่ว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัวเองคนเราไปสร้างความทุกข์ซ้ำเติมตัวเองด้วยการวางจิตวางใจไม่เป็นก็พูดอย่างที่เคยพูดที่นี่หลายครั้ง พูดจบช่วงที่ก็ก็นิ้หมดไปชั้นชั้นใส่ก็หัวหน้าสำนักก็เอาพระไตวิศกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ า, าก็เคยตรัสนะเคยตอบคำถามของ จะเป็นรู้สึกปริพาชกหรือว่าพวกนิครมนะนะว่าทุกเนี่ยตนทำเองหรือผู้เจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นทุกนี้สิ่งอื่นทำให้หรือผู้เจ้าก็จัดว่าอย่าพูดอย่างนั้นแล้วก็งั้นทุกตนทำเองบ้างหรือว่าสิ่งอื่นทำเองทำให้บ้าง ใช่หรือเปล่าผู้เจ้าก็บอกตัดไม่ก็อย่าตัดอย่างนั้นแล้วผู้เจ้าก็อิบายว่าถ้าถ้าเข้าใจว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ตนทำเองเนี่ยมันก็เป็นสัสตะทิฏฐนะิหมายความว่าทุกข์ตะทุกข์ทัดทุกข์ ตัวเองทำตัวเองรับผลนี่เป็นสัตสตทิถิถ้าทุกนี่สิ่งอื่นทำให้ก็เป็นอุเฉทิฐนะิคือถ้าสำ น, นักท่นเขาต้องการที่จะมามาแย้งนะว่าอที่พูดไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยมันมันไม่มันไม่ถูกนะจริ ง, รงอุตโ พ, ธพธี่ว่านี่ก็ก็รู้มานะ ก็ได้อ่านมาแล้วก็เห็นตามนั่นแหละแต่ว่าที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นการพูดแบบให้คนอื่นให้คนเข้าใจโดยทั่วไปนะเพราะว่าคนที่มาฟังก็มีหลายระดับนะไอ้คำ การที่พูดเรื่องว่าทุกเนี่ยไม่มีใครทําให้เนี่ยคนก็เข้าใจยากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจเรื่องตัวเรื่องตนนะที่จริงอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็ก็แยกแยะเหมือนกันนะในหลวงพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยหลายหลายตอนพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนัตตานะ ไม่มีตัวไม่มีตนทุกนี้ไม่มีทุกนี้ไม่มีใครทำให้เนะพราะมันไม่มีใครตั้งแต่แรกนะมันเป็นเรื่องของจิตนะทุกนี่เกิดขึอเพราะจิตนะหรือพูดง่ายคือกินเลดอย่างถ้าเราศึกษาปฏิจจสุป บ, บาทเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีใครเลยมันมีแต่เรื่องของจิตนะเริ่มจากวิชานะสังขารวิญญาณ นำมารูปสไลตตนะผัสสะเวทนาฐานุปท า, านพบชาติฉราบาวนาทุกมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆหรือ เ, เรื่องของเจตสิกพูดไปแต่ว่า่องก็ทั่งเวลาตรัสสอนตรัสสนทนากับพวกนิครนบริพาโชคโร่งก็จะพูดอย่างนั้นแหละ เคยมีคนถามว่าผู้เจ้าว่าพระอรหันต์แล้วตายแล้วไปไหนผู้เจ้าก็ไม่ตอบแต่วตอนพวกกสิบายว่าถ้าตอบไปตอบไปทางใดทางหนึ่งก็ผิดทั้งนั้นหมายถึงว่าก็จะเกิดความเข้าใจผิดถ้า ต, ตอบว่าพระอรหันต์ตายแล้วก็ไม่เกิด ก็จะมีความเข้าใจเรื่องอุเฉทิตติแต่ถ้าตอบเป็นอย่างอื่นไปก็จะเกิดความเข้าใจเรื่องสัตสตทิตติคือว่ามีตัวตนเที่ยงสัตสตทิตติเป็นความคิดว่าตัวตนเที่ยงซึ่งนนี้ก็เป็นความคิดที่มีแพร่หลายแม้กร่งในหมู่ชาวพุทธว่าตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่มีตัวตนที่เที่ยงเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก แต่ถ้าบอกว่าตายแล้วดับเนี่ยอุเิติติอันนี้คนสมัยใหม่ก็คิดแบบนี้เยอะตายแล้วศูนย์มีตัวตนที่ที่เรียกว่าเกิดดับก็ได้ตามตามเรียกว่าตามตามใจ เ, เจอคำถามที่พู้เจ้าอยาอธิบายนะโดยใช้หลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นการอธิบายว่ามันก็ททานองว่าถ้ายังมีเหตุให้เกิดก็เกิดถ้าไม่มีเหตุให้เกิดคือไม่มีอวิชามีกิเลสก็ดับนะเห็นว่าการเกิดดับเป็นเรื่องเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องของใครอะไรทั้งสิ้นอันนี้พระเจ้าเวลาแสดงธรรมมันกนแสดงธรรมสองระดับนะในบางครั้งพระเจ้าบอกว่าทุกนี่ ไม่มีใครทําให้แต่บางครั้งผู้ยาก็รตัดนะว่าอย่างตัดอีกอีกแนวหนึ่งนะเช่น ว, ว่าคนผ่านปัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนศัตรูเนี่ยอันนี้เราอ่าจัดใจความเราก็จะพบว่าอ๋อเนี่ยคนผ่านปัญญาสามย่อมทำร้ายตัวเองนะก็แสดงว่าไอ้ความทุก ที่เกิดกับคนเหล่านี้มันเกิดจากการกระทำของตัวเองเช่นติดคุกติดตารางนะหรือพิกรพิการอันนี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาหรือไปชกปล่อยกันหรือว่าเมาขับรถชนนะชนเสาไฟฟ้าในเลยพิกรพิการอันนี้เรียกว่าทุกที่เกิดขึ้นกับเขานะเป็นเพราะตัวเองทำ เป็นเพราะการกระทำของตัวเองทุกงั้นในทู ก, ทกเจ้าตัด่างนี้นะมันดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับที่ผู้เจ้าว่าทุกนี่ตนเองทำไม่ใช่แต่นั้นผู้เจ้าพูดนะกับคนพูดในเชิงจะเรียกว่าปรมาท ธ, ธรรมก็ได้ แต่คำพุทธภาษิตที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคนพานปัญญาสามย่อมทำกับตัวมันศัตรูเนี่ยอันนี้พูดในเชิงใจเชิงเสี่ยงอาศัยสมมุติอยู่หรือถ้าพูดอีกแง่หนึ่งคือว่าเวลาพระเจ้าสอนเรื่องอนัตตาในความหมายที่ว่านในบริบทที่ว่าพูดในเชิงศัจธรรม แต่ถ้าจะพูดในเชิงจริยธรรมเนี่ยก็จะสอนแบบนี้แหละสอนในเ ร, รื ม, มีตัวมีตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วนะยอมได้สิ่งที่หายได้ยากอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวตนนะจึงใช้ศัพท์ตัวตนนะเพื่ออธิบาย ให้คนเห็นความสำคัญของการทำความดีของการฝึกตนอันนี้ก็เป็นเรื่องจริยธรรมหรือว่าคนพ่านปัญญาสาย่อมทำกับเตือวมัสสตรูเนี่ <S <S <ๆ>ก็คือเพื่อกระตุ้นให้คนนี่หันมาหันมาปฏิบัติธรรมเจริญศีษสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนเชิงจริยธรรมแต่ถ้าพูดถึงความสอนเชิงศัจธรรมเนี่ย ก็จะอธิบายในลักษณะนี้แหละปฏิจจสมุปบาทบ้างหรืออธิบายในความหมายที่ว่าทุกไม่มีใครทำให้ตัวเองก็ไม่ได้ทำคนหนึ่งก็ไม่ได้ทำแล้วใครทำก็ไม่มีใครมันมีแต่คำว่าอะไรมีแต่คาว่าอะไรก็คือมีกิเลสเนี่ยวิชาเนี่ยมีตวรวนาอุปาทานก็ทุกข์ก็เกิด ในเชิงสัจธรรมมันไม่มีใครมันมีแต่คำว่าอะไรนะเคยมีคนถามพระเจ้าพุะครามว่าใครเป็นผู้เสริสวยเวทนาใครเป็นผู้สวยเวทนาพระเจ้าบอกไม่มีใคร ม, มีแต่ว่าต้องถามไม่ถูกต้องถามว่าอะไรทำให้เกิดเวทนาหรืออะไรทำให้เกิดผัสสะอันนี้เป็นการอธิบายในเชิงสัจธรรม เพราะว่าความจริงขั้นสูงสุดมันไม่มีใครมันมีแต่คําว่าอะไรคําว่าใครมันเป็นแค่สมมุติในก่อนในขอที่มันสมมุติเอานี่พระเจ้านี่สอนนี่สอนสองระดับนะียคราวนี้เจ้าส น, นักพิสูจนีนั่นท่านก็ท่าน ก, ก็ชอบสอนในเรื่องของอนัตตาแนละ้วก็เลยสี่เรียกกันเรื่องนี้มากนะว่าถ้าใครสอน ไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่อนัตตาเนี่ยท่านกลัวว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดท่านก็เลยถึงเอากอาะตาไตยพิสดก์มามาแบให้ดูว่าเนี้ยพระเจ้าสอนอย่างนี้ก็ถูกนะนแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนแบบนี้แบบเดียวเนะสอนแบบอื่นอีกแบบอื่นด้ว ย, ยสอนในในลักษณะที่ว่าให้เหมาะกับคนที่ยังมีความเชื่อเรื่องตัวตนอยู่ มีคราวหนึ่งก็ไปเจอพระรูปหนึ่งนะท่านก็เป็นนักนักปฏิเรื่อเป็นชอบแสดงธรรมในเรื่องขอนัตตาเนี่ยครั้งเจอกันในงานบรรยายงานท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ชอบพูว่าเรามีกรรมเป็นของตัว เ, เรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วเนี่ย อันนี้มันไม่ใช่พุทธพจน์นะเนี่ยไปสอนกันแพร่หลายได้อย่างไง เ, เพราะว่าขู่เจ้านี่ไม่มีคามําสอนเจ้ามันเป็นเรื่องอนัตตา เ, เรามีการเป็นของตนเนี่ยไอ้ของตนนี่มันมันไม่ใช่มันในมีตัวมีตนอยู่นะท่านก็พูดไปนแต่ที่จริงข้อความนี้เป็นพุทธภาษิตเหมือนกันนะ อย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนะเราสวดทุกวันกับบ่อยทุกอาทิตเนี่ยปัญจคินหปัจเจเวเนี่ยวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นพุทธภาษิตนะเรามีการเป็นของตัวนะ ท, ทําดีจะได้ช่วจะได้ชั่วมันอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะอังคุตรณิกายแต่ว่าท่านเนี่ยก็เนื่องจากมีความเชื่อ ในเรื่องของอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาก็เลยไม่เชื่อว่าข้อความนี้อยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าเป็นพุทธภา ษ, ษ, ษิตแล้วก็ไปหาว่าคนที่อ้างคนที่พูดแบบนี้นี่เอาเป็นการตีความพูดเราเองนะมันไม่ตรงกับพุทธไม่ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้า อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของท่านเองเพราะว่ามีความจะเรียกว่าอะไรยึดติดถือมั่นในเรื่องอนัตตาก็ได้ในความยึดติดถือมั่นมันไม่ไมีแค่ยึดติดถือมั่นในอัตตายังมีความยึดติดถือมั่นในอนัตตาก็คือว่าจะต้องอนัตตาเพียวเพีวจะต้องอนัตตาตะพุตะพืสอนทั้งหลายที่จริงในใ น, ในความเป็นจริงเวลาคนเราจะพูด สอนทำอะไรเนี่ยในระดับชีพประจำวันเนี่ยมันก็ต้อง อ, อไม่ได้ต้องพูดนะในในความหมายที่มีตัวมีตนอยู่แล้วเช่นวันนี้จะบอกว่าเราไม่ค่อยสบายนะนะอันนี้พระอารหันต์ท่านก็พูดนะวันนี้เราไม่ค่อยสบายคือท่านพูดไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะ คนไม่เข้าใจพูดได้ยังไงมีเราที่ไหนแล้วก็ทั้งเจ้าสำนักนะถ้าคงอยากพูดแล้วใส่หนึ่งเหมือนกันอยวันนี้วันนี้เราเหนื่อยนะขอพักก่อนเนี่ยจริงๆถ้าเครื่งคารื่อมานตามันพูดไม่ได้นะเราเราเหนื่อยมันมีแต่กายที่เหนื่อยนะมันไม่ใช่เราเหนื่อยแต่ว่าในภาษาชื่อประจวบ ก, ก็ต้องพูดแบบนี้แหละพูดตามโลก หรืเจ้าสำนักท่านนี้เนี่ยเวลาเห็นลูกศิษย์อต้องเจอนความทุกข์อะไรบางอย่างท่านไก่พูนเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะเธอทําตัวเองเนี่ยเธอถึงเป็นอย่างเนี้เชื่อหรือไว่าท่านคงพูนก็คงจะสอนลูกศิษย์ทํานองนี้เหมือนกันนะเ ป, น เ, เป็นเพราะเธอทําตัวแบบนี้เธอต้องเธอถึงเป็นอย่างงี้ นี่ก็เป็นคําพูดในชีวิตประจําวันแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้มันก็ไปมันก็จะไปแย้งกับที่พระเจ้าตรัสหรือว่าวัตถุนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตัวทำเชื่อท่านเจ้าสำนักนี้กคงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดสับสำนวนแบบนี้และซึ่งมันก็ล้นแล้วแต่ซึ่งล้นแล้เปิดช่องให้แย้งในทั้งนั้นแหละ ว, ว่ามันเป็นความเชื่อเป็นคําพูดที่มีตัวมีตน คือมาต้องแยกระหว่างคำพูดในเชิงในระดับสามมันในชีวิตประจำวันกับคำพูดในเชิงวิชาการแล้วพูดในเชิงวิชาการเนี่ยก็ต้องก็ต้องอนัตตามันเป็นอื่นไต่ไม่ได้อย่าพูะพเจ้าเวลาโตเถียงกับนิครณเนี่ยท่านก็โต้ถีงในเชิงปรัชญาในเชิงศัจธรรม เ, เพื่อพูดถึงความจริงล้วนๆ น, นะ อันนี้เรววาพูดในเชิงวิชาการเมื่อเชิงวิชาการนี่มันก็จะมันก็ต้องทะลุไปถึงเรื่องอนัตตาอย่างเดียวะจะพูดว่าฉันไม่มีตัวตนหรือว่าลดละตัวตนนี่พูดไม่ได้นะถ้าพูดให้เคร่งครัดเนี่ยสอนบ้างสอนพรเจ้าเนี่ยสอนให้ลดละตัวตนหรือปฏิบัติธรรมเพื่อลดละตัวตนอันนี้นก็เราก็พูดกันเป็นสามมันทั่วไป แต่ว่าถ้าจะพูดในเชิงวิชาการหรือว่าจะเชิงปริยัตินะระดับสัจธรรมเนี่ย ม, มันพูดผิดนะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วจะลดละตัวตนได้ยังไงจะพูดว่าเนี่ยจะละตัว ต, วตวนนี่ก็เหมือนวัามันมีก็แสดงว่ามันมีตัวตนอยู่แล้วล ะ, ละ เหมือนจะเหมือนเขาพูจะวางของลงเนี่ยมันก็ต้องมีของที่ถือที่แบบไว้ก่อนมันถึงจะวางได้แต่ว่ามันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วมันจะลดกะละได้อย่างไรเอาก็มีแต่คําว่าละความเชื่อว่ามีตัวตนหรือละความยึดมั่นว่ามีตัวตนอันนี้ต้องพูดแบบถูกต้องนะละความยึดความเชื่อว่ามีตัวตน หรือละความหลงว่ามีตัวมีตนอะไได้ในความยึดมั่นนีเราเรียกว่าอัตวาทุปาทานอัตวาทะอัตวาทานก็บอกแล้วว่าความเชื่อมีอัตตาอ่นะอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อมีอัตตาอันนี้พูดถูกต้องเลยร0อร์ เพราะว่าอัตตามันไม่มีมันมีแต่ความเชื่อว่ามีอัตตานั่นที่เราปฏิบัติทมเนี่ยก็ละเพื่อละอัตตาธุปาทานละความเห็นผิดว่ามีตัว ต, วตวนนะนี่หรือละความเชื่อความหลงว่ามีตัวตวนแต่เวลาเราพูดแบบนี้มันก็มันก็ฟังเย็ยนเยอะนะหรือว่าคนก็อาจจะงงก็เลยพูดว่าเออปฏิบัติเพื่อละตัวตน เพื่อลดเพื่อละตัวจตนแต่ถ้าพูดแบบนี้คนที่เคร่งนะปริญญาก็จะแย้งนะถ้าพูดแบบนี้ไม่ได้ก็เป็นนั้นว่านี่ถ้าจะถ้าจะถ้าจะแย้งนี่โดยเอาความสอนในเชิงศัจธรรมวเจารมาเป็นหลักนี่มันก็แย้งแต่ตลอดเวลานะเวลาพูดเวลาแสดงทำนี่ให้กับคนทั่วๆไปนี่ เพราะว่ามันเป็นการแสดงทำเพื่อให้คนเรียกว่าอะไรละชั่วทำดีหรือว่าเห็นความสำคัญการสุกฝนพัฒนาตนนะถ้าไม่พูว่าฝึกฝนพัฒนาตนแล้วไม่รู้จะพูดยังไงให้คนทั่วไปไมันเข้าใจง่ายๆนะเพราะว่ า, าว่าฝึกฝนพัฒนาตนนี่มันก็บอกแล้วแต่ว่ามีตัวมีตนแล้วมันจะพูดอะไรดี ผู้เจ้ายัางเลี่ยงไม่ได้นะผู้เจ้าอะไต้องต้องตัวเป็นตัวผู้แข็งตนนะต้องฝึกฝนพัฒนาตนนะต้องไป่ฝึกฝนพัฒนาตนก็กลายเป็นคนผ่านปัญญาสามแล้วก็จะทำกับตัวเองมาศัตรูก็คือทำร้ายตัวเองหรือสร้างความทุกข์แก่ตัวเอง กาพูดแบบนี้มันก็ไม่ได้ขัดขัดกับคําสอนพุทธเจ้านะเพราะพุทธเจ้าเองก็ก็สอนแนวนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักแยกแยะนะว่าพุทธเจ้าสอนในในในระดับไหนนแล้วว่าสอนหรือพูดกับใครจะไปจะไปยึดจะไปมองแง่เดียวหรือว่าสอนแง่เดียวไม่ได้ เพราะในความเป็นติมมันก็สอนไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะถ้าสอนในเชิองอนุตตร์ล้วนๆคนก็ไม่เข้าใจคนร่วแกก็ไม่เข้าใจนั่ก็ทำให้ไม่สำเร็จประโยชน์ก็คือแทนที่จะชักชวนให้เขาหันมาทำดีเขาก็เลยพอไม่เข้าใจเขาก็เลยยังไม่เกิดความกลัวบาปหรือว่าไม่เห็นความสาคัญการพัฒนาตนสุขผลตน ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันก็ยังในมือมีตัวตนอยู่ก็ต้องพยายามพัฒนาหรือขัดเกลาไอตัวตนนั้นเนี่ยให้มันเป็นตัวตนที่ดีแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะมันต้องไปให้พ้นถึงขั้นที่เราว่าเห็นว่าตัวตนไม่มีจริงเรียกว่าอันนี้เรียกภาษาชาว่านละตัวตนได้คำสอนในส่วนนี้ก็สำคัญนะ เป็นส่วนยอดนะเป็นส่วนเป็นส่วนมงกุฎนะเรื่องตัวเรื่องอนัตตานี่แต่ถ้าสอนแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะไม่ปูพื้นเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนหรือว่าการอขัดเกลาตัว ต, วตนนะมันก็มันก็ไปยากนะมือมันต้องมีฐานนะถึงจะไปยอดได้ถ้าไม่มีฐานนี่ก็ไม่ถึงยอด ฐานมันอยู่ย่อมัอยู่ได้พ่อมีฐานมารองรับฐานที่ว่านี่คือคําสอนในเชิงจริยธรรมนะซึ่งยังต้องอิงเรื่องความเรื่องตัวตนหรือความช่วยเรื่องตัว ต, วตนอยู่มันมันปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องรู้จักเลือกสอนแล้วก็เข้าใจว่าเข้าใจก็เออสิ่งที่สอนนี่มันมันอยู่ในระดับไหน ของคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนในเชิงจริยธรรมหรือคําสอนในเชิงในเชิงศัจธรรมในเชิงเริยธรรมนี่ก็ต้องอาศัยสมมุตินะที่อิง ก, กับความเข้าใจของคนทั่วไปอยู่ในเชิงศัจธรรมนี่มันก็จะพุ่งเข้าสู่ปรมัตัยเลยนะการสอนการแสดงธรรมก็ต้องดู ดูคนฟังด้วยว่าคนฟังนั้นเป็นใครนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี้ยก็จะไม่สับสนกับคําสอนในพระไตรปิฎกว่าทาไมบางบางที่บางตอนนี้สอนเรื่องตัวตนนะตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะบัณฑิตย่อมฝึกตนนะบัณฑิตย่อมฝึกตนมันมีตนที่ไหน จะฝึกได้ยังไงเพราะมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วจะฝึกปนได้ยังไงอันนีน้เป็นการพูดคนละคนละระดับเอย่าเอามาอย่าเอามาปักปนกันพราะถ้ปักปนกันแล้วนี่มันจะสับสนมากอันนี้ผู้ปฏิบัติบางท่านหรือว่าอาจารย์หลายท่านทานี่ท่านก็พอท่าน เข้าใจเรื่องอนัตตานะก็ก็ไปยึดติดกนะับ แ, แต่คำสอนแบบนี้นะคำสอนระดับนี้นะก็จะลำคาญรู้สึกลำคาญนะเวลามีการพูดการสอนเรื่องที่ยังมีตัวมีตนอยูนะ่อันนี้ก็เป็นความยึดติดในอนัตตานะนะเป็นความยึดติดในความเชื่อเรื่องอนัตตาอยู่ มันพอเจอความเชื่อหรือความเห็นหรือคําพูดที่มันมันยังมียังอิงเรื่องอัตตาอยู่นะก็จะรู้สึกลาคาญนะนะที่จริงถ้าถ้าเขาถึงเรื่องอัตตานะไม่มีความยึดติดต่อไปเนะี่ยมันก็ไม่รู้สึกลาคาญกังรู้สึกลาคาญหรือว่าหงุดหงิดนะกับคําสอนเรื่องที่อิงอัตตาอยู่เพราะรู้ว่ามันก็เป็น มันก็มีประโยชน์ของมันในการที่พาคนละชั่วทำดีหรือว่าเห็นความสำเรังการฝึกฝนขัดเกลาวตนแต่ก็อย่าติดแค่นั้นต้องไปให้ถึงอนัตตาให้ได้อันนี้ก็เคยมีตัวอย่างเนี่ยในเรื่องประวัติของท่านเว้ยหลางที่ท่านไปอยู่ในสำนักของพระสังฆปริยนายกองค์ที่ห้า เวลังานนี่ก็เป็นแค่อุบาทกนะทําครัวหนังสือก็อ่านไม่ออกแต่ว่าแต่พอได้เห็นสโลกของสิทธิ์อาวุโสนะที่บอกว่าเนี่ยนะกายนี่เหมือนต้นโพนะจิตนี่เหมือนกระจกนี่ต้องขัดถูอย่าให้ฝุ่นมัาเกาะท่านก็เห็นว่านี่มันยังไม่ถูกนะท่านก็ไปเขียนใหม่เขียนไม่เป็นนะ แล้วที่ได้ที่ที่ได้ฟังที่ได้รู้มาก็ไม่ได้อ่านเองแล้วมีคนมันเล่าว่าอ๋อสิทธ์อาวุโสผู้พี่เก่งอย่างนี้ท่านเลยบอกว่าที่ถูกต้องเฉยแบบหนึ่งนะว่ากายต้นโพมันก็ไม่มีนะกระจกมันก็ไม่มีนะเมื่อไม่มีกระจกนี่ก็ฝุ่นมันจะเกาะได้อย่างไร อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นคําสอนที่เหนือชั้นเหนือชั้นไปถึงระดับอนัตตาก็คือว่ามันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีใครทุกข์มันไม่มีคนคนทุกขนะ์มันไม่มีคําว่าคนดีนะเมื่อ ต, ตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไอ้ความชั่วความดีเนี่ยมัน มันก็จะมาไม่มีที่ตั้งนะเหมือนกับว่าฝุ่นถ้ามันไม่มีกระจกมันก็ไม่รู้จะเกาะกับอะไรถ้าเขาถึงเรื่องนาตานี่มันก็ไม่มีใครทุกข์มันก็ไม่มีใครคำว่าคนทุกคนชั่วก็ไม่มีมันเป็นเรื่องของจิ ต, ตล้วนๆอันนี้เรียกว่าก็ มีแต่คนที่เข้าใจก็มีแต่สังคปริยในองค์ที่หองค์ที่ห้านะที่เข้าใจว่าโอ้เวอหลานี่ถึงจริงๆนะสิทธิคนโตนี่ยังยังติดในเรื่องของยังยังไปได้แค่การฝึกตนให้เป็นคนดีฝึกตนไม่ให้มีกิเลสแต่ว่าเวอลังนี้ไปถึงว่าไม่ต้องมันไม่มีตนจะให้ฝึกแล้วนะไปพ้นเรื่องตรวจตน ก็เลยมอบตําแหน่งสังฆปรินิพัฒนให้เลยนะอันนี้เราก็ต้องไม่ลืมนะว่ามันคําสอนในของพุทธเจ้านี่มันมีสองระดับถ้าไปติดเรื่องตัวตนมันก็ทําให้เขาเข้ามันก็กลายเป็นอุปสรรคของการเรื่องการเข้าถึงอนัตตาแต่ถ้าสอนแตเรื่องอนัตตาร้นล้วนว น, นะปฏิเสธคําสอนในระดับที่ทอิงอัตตาตัวตนนี่มันก็ มันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันก็เหมือนกับเนื้อนะเนื้อเนื้อมะพร้าวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเปลือกนะอาศัยเปลือกหอหุ้มคําสอนหรือปรัชญธรรมต้องอาศัยคําสอนหรือความเข้าใจเรื่องสมมุติปิสัจจะหรือสมมติบัญญัติ แต่ว่าอย่าติดแค่นั้นเพราะว่ามันก็มีมีมีมะพร้าวแล้วก็ไม่รู้จักเฉาะเข้าไปให้ถึงกระโหลกถึงเนื้อของมันมันก็ได้แค่มันก็ได้แค่แค่เปลือกมันเท่านั้นแหละเปลือกมันก็มีประโยชน์นะทำอะไรได้สารพัด เปลือกมะพร้าวแต่ว่าก็อย่าพอใจแค่นั้นต้องไปให้ถึงเนื้อของมันชอกกระโหลกเข้าไปแต่ถ้าปฏิเสธเปลือกนะไอ้เนื้อนี่มันก็มีไม่ได้นะเพราะว่าเนื้อมัหอาศัยเปลือกห่อหุ้มอ่ะเราก็ควเทันนิชานี้ยอ่ะกลับ